ธรรมบรรยายในพรรษาปีพุทธศักราช 2,546 โดยหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณวัดป่าสุกโตอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิวันที่หนึ่งกันยายน 2,546 ขอเชิญทุกท่านฟังธรรมครับคืเดียงไม่มาก็ให้มา มาแล้วอยู่เป็นฉุกเป็นฉุกมาปฏิบัติธรรมใครก็เลยบอกรวราบ้านของเราอยู่ที่นี่บอกทุกคนใครมาวัดป่าสุปโตก็ถือว่ามาบ้านเราอันนี้ใครแสงหน้ามแต่ญาติเพิ่งเห็นหน้ากันาให้พวกเราคงรู้สึกอย่างนั้น แล้วก็ได้นโอกาสปฏิบัติธรรมเนี่ยได้จเจริญสติได้รูปได้คำกับสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริงที่มันมีอยู่เป็นอยู่ความหลงก็ได้สัมผัสลองดูความโลภก็ได้สัมผัสลองดูความทุกข์ก็ได้สัมผัสความสุขก็ได้สัมผัสใช่แต่ ในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นมรรคเป็นผลในเรื่องดำเนินอยู่ในองค์มรรคก็ได้เดินอยู่ได้เห็นอะเรียสัจเป็นความจริงที่มันมีอยู่ในเราที่เป็นธรรมที่เป็นสัจธรรมที่ว่าเป็นทุกข์สมุทยัยในโลกมรรคทุกข์ก็ได้เห็นอยู่แล้วได้ทำกับทุกข์อยู่ สมุทัยก็เห็นอยู่ได้ทำกับสมุทยอยู่แม้ยังไม่สาเร็จก็ได้ทำอยู่แล้วอมรรคก็ได้ดัเนินอยู่ได้ดูอยู่ได้เห็นอยู่แล้วมรรคแน่นอน้ารเจริญสติได้เดินทางแล้วมีทางเดินแล้วไปก้าวไปบ้างแล้ว ได้เยียบบนเส้นทางแล้วไม่เคยบุกป่าบุกตรงเหมืนมอนเมื่อก่อนไม่ได้บุกป่าบุกตรงเหมืนมอนเมื่อก่อนมันจะเราได้เดินอยู่บนทางมิตรภาพถ้าได้ดูได้เห็นแล้วสาเหมือนมิตรภาพเห็นอะไรเห็นกายนี่แหละเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่นี่ เห็นใจที่มันคิดเรื่องหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจได้เห็นได้ดูมันแล้วถ้าเห็นแล้วก็ไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ถ้าเป็นเราไปหยุดอยู่แล้วอ่ะมันหยุดอยู่แล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ก็หยุดแล้วถ้าเห็นแล้วก็ไปแล้วอ่ะมรรคไม่ละมรรค ตัวปฏิบัติจริงๆก็คืออย่างนี้แหละแต่ไปพูดแต่ปากมาสัมผัส ด, ดูจับต้องดูมีเกตนาทำลงไปลงสึกตัวลงไปลงสึกตัวอยู่ที่ตายแล้วมันจะแสดงออกมาทางกายว่างทางใจว่างไม่ีอะไรอยู่ในใตายในใจมันจะแสดงออกมาให้เห็นหมด มันจะรอไปเปิดอะไรออกมามันก็จะออกมาหลายๆอยา่างความคิดกลุ่มสา่งก็มีมหมหง่วงเ้าหอวนอนก็มีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีความคิดอะไรที่มันตะเปะตะปะก็ออกมาให้ดู วางคนก็ไม่เดอ่ะก็เป็นเรื่องที่มันมีแต่มันมีแบบไม่มีมีแบบไม่จริงตัวจริงคือตัวสติที่เห็นกายกายเนี่ยคือของจริงเลยมีสติไปเห็นกายมีสติไปเห็นจิตจิตมันก็มีมันก็คิดเป็นแล้วก็เห็นมันมันจะสุขมันจะทุกข์ก็จะตรงเห็นมันตรงนี้แหละ อเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยแมันก็สนุกดีมันเห็นของจริงไม่ใช่เพ้อฝันไม่ใช่เล่าที่ยายไม่ใช่ไปดูละครแต่เป็นละครก็เรื่องของเรานี่แหละเราเคยหลอกกอนมาหลายเรื่องมากแล้วเราเคยหลงกับละครเรื่องนี้คํารักความชังความโุกความทุกข์อะ วันนี้เรามาดูกันซะจะได้เห็นเขาแสดงเป็นเงื่อนไขรูกแก่เห็นกายเห็นเวทนาเรื่องของกายก็ใหญ่เรื่องของเวทนาก็ใหญ่ที่เขาจะแสดงออกมาเมอนกับตัวละครแต่เราเลือกเขาก็มีมบทบาทเรื่องของความคิดก็เหมือนกันไปคิดในก็ใหญ่ สามารถดึงกระซ่ากล้าตัวเราไปได้ทําให้หัวเลาะทําให้ล่องให้ทําให้เกิดอะไรได้ทำที่มันเกิดขึ้นมาย่องคิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเห็นไหมสมาธีมันเกิดความสงบเกิดเส้นขึ้นมาเกิดสมาธิเกิดปัญญาโลดโลดโลดนี้ทำ บางทีมันก็ง่วหมเหมาหอนอนลองเลยสง ส, ษษษษษษสัยคิดปุ่งฉากนะมันแสดงฉากเก่าบางทีเกิดความโกรธความโลภความหลงเกิดกรรมมรรคะายจะบากฉากเก่าเราไปใช้แต่นั้นก็ทำให้เราหลงได้เรื่องเก่าๆโกรธแล้วโกรธติดทุกแล้วทุกข์กิจ หลงแล้วหลงอีกแต่เรามาดูมันแล้วเราเห็น <c oughs> เห็นตัวตัวโกงตัวแสดง่มันหลอกเราให้หัวเราะร้องไห้อะวันดีคืนดีอะไรเรามาเห็นมันเลยไม่แสดงกับเขามาดูเขาแต่กอเราแสดงเขาจะให้เราหวัวเราะแล้วเราหวัวเราะไปกับเขา เขาจะให้เราลักเราก็ลักไปกับเขาเขาจะให้เราชังเราก็ชังไปกับเขาเขาจะให้เราเกิดอะไรก็ไปกับเขาวันนี้เรามาดูนะออกมาดูพอดูลู่เลือกมันก็บองทีมก็เจืด่ได้นะมันแสดงเวลาได้มันก็เจิดไม่มีค่าไม่ให้ค่านะแต่ตอนเรามันไม่ค่ า, ค, าความโกรธก็ไม่ค่ารับใช้ความโลภความหลงความรักความชังไม่ค่า อะไร ม, มีค่าสำหรับเราแต่ น, นี่มันไม่มีค่ามันจืดไปแล้ววันเราดูเขาเล่นกลเขาบอกไอตีไปเอาแต้งจากบ้านเช็กจั่วมาแล้วกับองเขาก็ทำหุ่นเป็นไอตีตัดกระดาษเป็นรูปคนล้วก็จุดไปยัดใส่กระป๋องไอตีไปแล้วไอตีไปแล้ว S 1> <S 1> ไอ้ตี๋ก็ไปเอาว่าแป้งแป้งได้มาแล้วแป้งได้มาโอ้เต็มกระป๋องเปิดกระป๋องออกแป้งเต็มกระ ป, กกป๋อ ง, งเอามาแกกคนทา น, นใครเคเห็นไหมเปนเออนะเคเห็นไหมเขาเ ร, รียนก่อนคุณระสาเเห็นไหมเอาตัดกระดาษเป็นรูปคนอ่ะเอาจุดไฟยัดใส่กระป๋องบอกไอ้ตี๋ไปรักแป้งมันเจ็คตัวมาแค่กองผมหนึงเออ แต่ถ้าลอยเขาเปิดกระป๋องแล้อเราก็มีแป้งเต็มกระป๋องกินไหมอ่ากินไหมโอ้เราก็เห็นเขาแสดงโอ้มันเอามาได้กินงนะ้อน่อเปิดกระป๋องพอดีเขาเปิดกระป๋องอีกเปิดอันเดียวมันเป็นสอง สองชั้นเลยรอะก็แล้วยังเห็นควรควัควันไปที่เขาจึบกระดาษแยกใส่กระป๋องพอเปิดออกยังเห็นควันโอ้อาจจะในกระป๋องเป็นสองชั้นบ้างนะมันก็หลอกเราทาให้เราหลงคนทนี้พอเขาใช้อีกเรื่องทีหลังแล้วก็ลู่ลู่ลู่ไม่เป็นแนวลู่ไม่มนแนวร่วมก็ไปตีเลยบอกว่าไอ้นี่มันหลอกหรอกไปแท้มันไม่ใช่ การเห็นนี่ก็มันอะไรเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความหลงเห็นความรักเห็นความชั่งเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความยินดีเห็นความยินร้ามันหลอกเราให้เราหลงมันมานานแล้วหลอกให้สุขหลอกให้ทุกข์นันเป็นนั่นนะครัว่ามรรคเน่แล้วมันก็แสดงแสดงเท่าไหร่มันก็ไม่มีค่ากสำหรับเรแต่ความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์มันมีค่าสําหรับเรา พอแต่มันสร้างเราก็ทําตามบันนี้มันไม่ในข้าวแตเราเห็นทำไมจะไม่เห <c oughs> ็นเราจับกันมาดูเนี่ยจับกา ย, ยสติเห็นกายเนี่ยแมันก็แสดงอะไรหลายๆอย่างให้เราเห็นเห็นไปเห็นม า, าก็เห็นเป็นโครงสร้างกองลูกกองนามกองขันห้า กองอุปาทาที่มันแสดงก็ได้หลักได้ฐานความเทจความกิริที่มันมีอยู่ในกายในใจในรูปในนามเป็นสมมุติอย่างไรเป็นบัญญัติอย่างไรเป็นปรมัติ์อย่างไรวัตถุอะไรบ้างอาการอะไรที่มันเกิดจากวัตถุ คือมันมีจากวัตถุอเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้มันเป็นมีเรียกว่าวัตถุอากาศเห่นตามันต้องเห็นลูกถ้าไม่มีตาก็เลยเห็นลูกถ้ามีหูมก็ได้ยินเสียงถ้ามีกายมันก็ต้องสัมผัสล่อนตอนแข็งในใจมัก็ต้องคิดเป็นมันเป็นวัตถุอันแล้วมันก็เกิดอาการเมื่อมันสัมผัส ตอนที่มันเปิดอาการมันมีอะไรก็เป็นหลอกมีความหลอกมีสมมุติปัญญาต์มีอุปทานไปยึดไปยกิดแล้วก็ลลมลุกคลุงคารอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าโอ้วัตถุอาการสมมุติมัญญาตประมัติสัจจะแล้วก็จริงเลยจริงเลยทีทีความไม่เที่คตามเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตนอยู่ในทุกอย่างไม่อยู่ในทุกอย่างในกองลูกในกองนามในความทุกข์ในความโลภความโกรธความหลงในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนแต่เรายังไปเอาไปถือไปยึดอาว่าไปยึดไปถือเอาหลังที่เราสวดมนต์ยึดว่าโดยโยคุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์มีการจำแน่ อย่างนี้คือโูปังอนิจัง<ม>อะไรที่เเัเกิดความยึดมั่นในโลกความยึดมั่นในเวทนาความยึดมั่นในสัญญาในสังขารในวิญญาตโูโตกใจว่างเลยเราจับอะไรอยู่ พอเดีมันมาเห็นวางเลยพอวางแล้วมันก็บอกผมยึดตั้นในสุขความยึดมันนนดม่นในในกองเวทนาในกองรูปในกองสัญญาสังขารเิ็นให ญ, ญ่โอ้แต่ก่อนนี้กองรูกกองสังขารห่างเขาเมื่อกับผลทั้าผลเขาทํางาน ตางคนต่างทําหน้าที่ของใครเขามาขยันคนลำแดดบางคนก็คนนั่งอยู่เลยกันคนหนึ่งฟั่นมอกคนหนึ่งว <c oughs> ิ่งขึ้นต้นไม้คนหนึ่งลงหน้าคนหนึ่งวิ่งเข้าป่าคนหนึ่งวิ่งเข้าบ้าน ค, ใคลใา่เกันนะนะอะ แต่เมื่อเราไปเห็นแล้วแล้วก็สิ่งเรานั่งห้าคนนั้นมันตกลงไปตกลงกันอย่างไรไม่รู้ต่างคนต่างวางต่างคนตระวางกัละห่างลงค่อยๆกันหยุดหยุดทำงานหยุดทําหน้าที่ปิดไปเอาอะไรเอาอะไรวางถ้าเป็นจอบก็วางจอบลง เดินไปด้ว hmm. ่อยๆยึดไปเรื่อยๆเดินหันหลังไปคนละทางไม่ทํางานมันเดิมไม่ยึดมันเดิมถ้ามันเห็นนะถ้ามันเห็นแล้วก็วิทนาเอาเวทนาล้วนๆไม่ในอกตานสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นทุกข์แต่ตอนลูกก็เป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ ก็ไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์บันเก่าโลกไม่เป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์ปุญญาไม่เป็นทุกข์เพราะอุปทานตัวนี้มันไม่ในมันลืมมันเห็นเขาไปเกี่ยวข้องเข้าไปลืมโดยพราะความโลภเจตัวมันมันเข้าถึงเนื้อถึงตัวคอามโลภเตัวนะเหมือนคนจะมาทํำรางน้ำมันสูง ต้องไปตีตะปูใส่เชิงชายโน่นต้องไปตีเกาะไปขอใส่นอนต้องเอาล้างไปวางโน่นทำไงเขาก็ทำนางนั่งล่างขึ้นไปพอเข้าไปถึงอีกแต่า ง, างได้ไปลูกไปททำได้ไปตีตะปูตรง น, นั้นได้จับตรง น, นั้นมันก็สำเร็จตรง น, นั้นสุดยอดทำตรง น, นั้นพอเข้าถึงตรง น, นั้นอ่าขึ้นตรง น, นั้นพอเข้าถึงตรง น, นั้นลงมาเน่มันก็ลงมาได้ ระหว่างต่ระหว่างสูงมันไปได้มันขึ้นได้มันลงมาได้มันเข้าไปทำได้อะไรที่มันเป็นทุกข์มันไปเห็นแล้วได้ทำกับทุกข์แล้วอะไรที่มันเป็นเหตุได้ไปทำกับเหตุนันแหละแล้วได้ทำแล้วมันก็เลยทำแล้ะคนทำราหน้ามก็ทำลายสำเร็จผลตรงมาหน้ามัก็ไหลไปทางโน้นทาสาเร็จแล้วไม่ไปจุยไปจาควบคุม ให้น้ำไปลงทางเดียวกันแล้วได้ประโยชน์เจ็บกักน้ำไปใช่อันนี้คือสมมตินะสมมติตัวปฏิบัติจริงๆเข้าถึงตัวที่เข้าถึงเข้าถึงเหตุเข้าถึงปัจจัยเข้าถึงถ้าเป็นอุปาทานถ้ามีวัตถุก็เข้าถึงวัตถุถ้ามีสมมติก็เข้าถึงสมมติถ้ามีบัญญัติก็เข้าถึงบัญญัติถ้ามีปรมัทติก็เข้าถึงปรมัทติ ในสมมุติเราก็ทํา ใ, ญญทให้ไม่มีค่าในบัญญัติมันก็ทําให้ไม่มีค่าในปรมัตุก็ทําให้เป็นจริงอ่าก็แบบนั้นนะแต่ก็ไม่นีค่าของโกรธก็ไม่มีค่าของทุกข์ก็ไม่ค่ า, ค า, คานี่ตัวปฏิบัติที่เราทําอยู่นี่มันเห็นกายทําไมเราจะไม่เห็นนะทำไมเราจะไม่เห็นทุกคนเห็นได้ ลองพลิกมือขึ้นเขาก็บอกเลยว่าพลิกมือ ข, ข, ขึ้นก็พลิกมือขึ้นรู้ได้ยกมือก็ยกได้เอามาวางตัวนี้ก็วางได้เทื่อนไว้ก็วางไปได้รู้ได้นน่รู้ได้ะอ่อลองรดดู้ ไ, ด, ได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ปฏิบัติได้ให้ผ ล, ดลดได้รู้ได้นะไม่มีใครไม่รู้ถ้าใครที่ไม่รู้ก็สแสดงว่าเพี้ยนเป็น อาาพัอาภาพภะอภัพภะบุคคลไม่มีสติกไม่มีสติพราะพระเจ้าสอนบุคคลที่พอสอนได้คือพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยอ่าขอขยบ ม, มือสร้างเสวะก็สร้างได้บุคคลพอสอนได้ทำบุคคลพอสอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นพวกเราจึงมาทํามาเปิดประตู ไม่ปิดประตูเป็นผู้ไม่ปิดประตูเรียกว่าอุบาจกอุบาสิกาให้เปิดประตูเข้าไปไม่สติเข้าไปรับสติเข้าไปลงพื้นที่ลงกายลงไปในกายอย่ามีอะไรของการบางทีก็มีบางกันน ะ, ะความยึษมัมนถือมึ น, มนอุปทานต่างๆความชอบความไม่ชอบสมมติบัญญัต มันก็ขวางกันได้เขาเรียกว่าอะไรกลาเรียกว่าเดรัจฉานเดรัจฉานเป็นขวางกันไปทางของขวงางแต่มนุษย์เนี่ยไปทางเปิดเปิดไม่ขวางถ้าจอดรถประจอดไปเดนทางเดียวกันเหมือนเจรจอดเขาบอกให้จอดรถคิดถนนจอดรถให้คิดถนน ให้เป็นแนวเดียวกันไม่ใช่หขวงหน้าหัวรับอี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรอ็มนุษย์เนี่ยหรือกัลยาณนะพุทธชนไปทางไม่หัวเปิดต่อมาลู่สึบตัวคนลู่สึบตัวรับเอาไปสัมผัสกับกายรับเอาไปสัมผัสกับจิตรับเอาไปสัมผัสกับเวทนาเห็นง่ายๆ เห็นกายง่ายง่าเห็นเวทนาง่ายง่ายเห็นความคิดง่ายๆ่ายเห็นธรรมง่ายง่ายเห็นทุกง่ายง่ายเห็นสุขง่ายง่ายเห็นอะไรที่มันเกิดมาเห็นง่ายๆ่ายแล้วลูกๆคำคำให้เห็นเข้าไปบางคนก็ลูกคํานะลูกคําทุกลูกคําเวทนาลูกคําอะไรลูกคําไม่ได้เข้าไปดู ว่ามันคืออะไระเกี่นน้าทิ้งมันก็สนใจเรื่องน้มไม่ใช่ลูกคำไม่ดูไปแลยตั้งเดินขยบขยบอยู่นั้นะถ้าคนที่มีอะไรที่มันป ก, กติมันไม่ยอมเดินขยบขยบมันก็ต้องไปเอาน้มออกเขาเห็นจริงๆดูเข้าไปแต่ตอนเขาไม่สวมรองเท้านะ เ ย, ยบน้าเนี่ยควจะเห็นน้ําเนี่ยเขาทําังไงฮะคนสาเขาท ำ, าท ำ, ทำยังไงสมไมคนโบราณฮะเวลาเย็บน้ำเนะี่ยเขาเอาน้ํำลายนั้นบอนไม่เกี่ยวเอาน้ำลายใส่เนื้อมือไปถูวันเดียวเนาผ่าเท่ามันดำมันไม่มีรองเท้าสมัยก่อนดําเราก็ด้านด้วยแล้วก็เอาน้ําลายใส่เนื้วมือเนี่ยก็ไป ถูฝ่าเท้าโคตรจนจนจนสะอาดแล้วก็มองลงไปเห็นหนามอยู่ในเนือฝ่าเท้าลิ่หลีก่นแล้ว ก, ก็บุ่มมันออกนะ <c oughs> นี่คนที่สนใจเอาหนามออกจากเท้าไม่รอไม่ยอมเดินขกขยบขยัน <c oughs> นั่งลงาะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนั่งลง โอีก็ช่วยกันโอ้มาช่วยด้วยมาช่วยด้ยนะเอบ่งน้ำออกบางคนก็มีฝีมือนะบางคนก็ทาไม่ได้สัจับน้ำลงไปบงคนสั่งเลยเอาน้ำก็บ่งน้ำหอบ่งลงบางคนก็จับพอไว้มันเจ็บร้องแลก็บ่งบ่งอ๊อเข่าไปเดินย่องได้สบายเลยสูงใจอย่างนี้นะสติไงสติมาเจิดเป็นอย่างนี้นะเห็นนะ เห็นอะไรเห็นเวทนาบางคนไม่เห็นเวทนาล่วงบงกับเขาอเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกาพอไปเห็นแล้วเวทนาก็ไม่มีค่าถ้าไม่เห็นถ้าไปเป็นก็มีค่าแล้อย่างนั้นแหละร้อยวันพันปีเป็นสุขเป็นทุกข์อย่นั้นแหละจริงสุขก็เป็นของจริงทุกข์ก็เป็นของจริงสําหรับเอคนที่ไม่ค่อยดูแล ถ้าเห็นแล้วก็โอ้ไม่จริงหอกสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแยกออกเวทนาเป็นกองหนึ่งตัวเห็นเป็นกองกันตัวเห็นนี่ใหญ่กว่าอาการที่เกิดเวทนาเกิดนั่นน่ะไม่ใหญ่อะไรเลยไอ้คนโอ้ใหญ่เวทนาเป็นสุขก็ใหญ่ในความสุขเป็นทุกข์ก็ใหญ่ในความทุกข์ อ๋อเรทนาพอไปเห็นแล้วไม่ใหญ่เลยติดจ้ อ, จอยสติใหญ่กว่าภาวะที่เห็น ใ, นใหญ่กว่าเป็นยนั้นไหมปฏิบัติธรรม น, นะก็ไปดูก็ไปดูวันเราอเหยียบน้แล้วก็มีอํานาจที่จะบ่งน้ําออกพอน้ำออกเราก็ทับใต้ด้วยเห็นกายเห็นเรทนาเห็นความคิด เห็นจิตเห็นมันคิดเห็นธรรมเห็นรูปเห็นนามเห็นสองมดเห็นมันอยากเห็นวัตถุเห็นอาการเห็นปรมัาสเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นมรรคเห็นกุศลแะกุศลไปรวมอยู่รวมลงรลงลงรวมลงรวมลงลงกุศลอกุศลกุศลทางกายกุศลทางใจกุศลทางวาจาร อกุศลทางกายอกุศลทางวจาจาอกุศลทางใจย่อเลยวะโฉลกกับมืบอแล้วเราในสติเนี่ยเราในความรู้สึกตัวเน่ยรู้สึกตัวแล้วก็ทัองหมดแล้วกนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําที่คิดน่ะก็มีสติมก็สร้างกุศล ม, มันต้องผูกเทียนตอนเชือกขาดที่หลงผูกเทียนผูดเที โอ้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเห็นไปเห็นไปโออกฎมันมีกุศลกับกุศลกุศลทางกายคนไม่ทําบาปทางกายมันจะเกิดอะไรกันโอ้มันเกิดได้แบบนี้แบบนี้คนไม่ทําบาปทางหวจา่ามันจะเกิดอะไรกันโอ้มันเกิดอย่างน้รอย่างนี้ คนไม่ทําบาปทางใจมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้จะเกิดนันนั้นนั้นนัคนไม่ทําบาปทางกายทางวาทาททางใจมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เดาว่าเหมือนเชื่อกขาดาอึดทันทีเออขาดเลยเสียดายเชือเออเช่อกเอาเชื่อกมาต่อต่อันก็ไป็นูกเชือกอยูแต่ว่าเมื่อใช้จะใช้มันเป็นอันหนึ่งมันไม่เป็นเองมางขาดหมายความว่า ระหว่างชีวิตของเราที่มันต่อกันต่อกับความสุขต่อกับความทุกข์มันต่อกันอยู่พอจะสุขมันก็สุขไปมันต่อกันอยู่พอจะทุกข์มันก็ทุกข์ไปมันต่อกันอยู่พอจะโกรธมันก็โกรธไปมันต่อกันอยู่พอจะรักพอจะชังมันก็รักมันก็ชังไปมันต่อกันอยู่บับนี้มันไม่ต่อระหว่างกุศลกับอกุศลพอจะโกรธมันไม่ต่อ ปฎิโกรธใช่กันได้ ค, ความรักความชังความสุขความทุกข์คนใเฉยๆมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเป็นความันต่อกันเรื่องด้วยกันความโกรธก็เป็นเรื่องของเราความรักความชัง<พ>เป็นเรื่องของเราความสุขความทุกข์เป็นเรื่องของเราวัที่มันไว้ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเกิดคือไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่มีอะไร ตัวปฏิบัติธรรลเราลูกคำเราสัมผัสอยู่เราสัมผัสอยู่เราเห็นอยู่เรากุยทางอยู่เดี๋ยวก็จะได้ได้สุขเหมือนเราทำนาข้าวโขกไปไถนาเราไม่ได้ทำนาเราไม่ได้กินข้าวแค่น้นต่เราไปทำไปทำมันอื่นโน่น <c oughs> จับปวยจับปล่อยจับพลาด ถานป่าฐานหญ้าไปนวลปวนดินไปนวลปรับต้นก้าไปนวลรักษาหน้าเข้ารักษาน้าออกไปนวลเอาไปมาแล้วเกิดดอกออกผลเป็นปเมล็ดข้าวเอา้าแล้วก็ไปเกี่ยวเอาข้าวลแล้วไม่กินเลยฮะแล้วก็ไปนวดเอาข้าวเอ า, มาเมล็ดข้าวมาใส่ยุ่งใส่ถางเยังไม่ได้กินเลยเอาข้าวไปสีได้ข้าวสารมา ยังไม่ได้กินเลยเอาเข้าวเป็นเนืองก็ยังไม่ได้กินเลยเอาข้าวมา ใ, ใส่กล่องก็ยังไม่ได้กินเลยเออบอกมาเลยจับข้าวใส่ปากเขี้ยวลงไปโอ้มันก็อิ่มแล้วกัน็นอิม่มแต่ว่าใตมันยาวนานมากกว่าแต่ว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องอันเดียวนั่นแหละถ้าไม่ทนนําตลอดก็ไม่ได้อิ่มตรงนี้การปฏิบัติธรรก็เหมือนกันในสติในสะติพระเจ้าเปรียบเหมือนมเมล็ดมเมล็ดพันแห่งโพธิอ่นะ รู้สึกตัวรู้สึกตัวมีเพิ่มเพียนเหมือนเนมากมีน้มฝนมีสติเหมือนมีคาดในไถมีปัญญาไขาํำเข้าไนํำออกได้ผลคืมอมรรคผลในความไม่เอามากินแล้วไม่เกิดไม่แ่ไม่เจ็บไม่ตายโปรธเจ้าว์ไปสอนมิจฉาทิฐิของความจนหนึ่งนะจนได้เป็นสัมมาทิฐิ ี่ยตัวปฏิบัติธรรมที่เราทํำดูแต่เหมือนกันทําการท ำ, ารทำนาเขาเหมือนการทํำน า, า, าเป็นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลในพานก็เป็นการทําเพื่อมรรคผลในพานโดยแท้ถ้าเป็นสิ้นก็เข้าถึงสิ้นเน่ยเรามีสติเห็นกายเราก็รักษากายในสติเห็นใจก็รักษาใจมันก็ไปทําชั่วยอยู่แล้วในสติดูกายอยู่นี่ใช่หรือด่าใช่ไม่เี่ ่านั่งเงียบๆกันอยู่โดยหน้ า, หาตาก็ปกติอยู่ไม่มีใครโวยว่นเกนเครียดอะไรอ่านี้ใครหลงตังใจฟังกันอยู่เวลาหลวงพ่อพูดนี่อบางทีบางคนโดยสร้างจะหวาไปรู้จักตัวไป่ไม่เลใครไปฆ่าสัตว์ตกโยมตกไลรมดไล่แมงอะไรอ่านี้ใครโวยวายแต่วัยใจอาจจะคิดไป ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้บางคนนะเรากลับมาที่กลัมาฟังมารู้สึกตัวอยู่นี่อาศัยกันได้ยินได้ฟังเป็นความรู้สึกตัวฟังไปธรรมดาธรรมดายากไปใส่ใจไปเดไปจำเอาไม่ใช่ฟังฟรีฟรีฟังโก้โก้ไปฟังเฉยเฉยไปดูองค์อาจฟังแบบองค์อาจน่ะแต่ว่าเพื่ออะไรเพื่อไปประกอบ เพื่อไปประกอบกับอะไรเพื่อไปประกอบกับการงานในเมื่อเราลงหน่วยทำโอ้หงพ่อบอกให้ยกมือสร้างจังหวะรูดนะอนะอวามรูดเนี่ยมันก็บอกกันไปไล้วเขาว่ารูดเลยก็เลยเป็นคำถามมืออยู่ไหนมืออยู่หัวเขาอะไรรั่วมืออยู่บนเขาเราก็ตอบกันอย่างแน่วไปเลอะไรรั่วมืออยู่เก็คือรูดสุดตัวเห็นไหมเห็นอะไรเห็น ตาหลับตาด้วูสิเห็นไหมตัวเห็นอ๋อม่ไม่ใช่ตามันคือความรู้สึกตัวแต่แขงมือตั้งไว้ดูสิรู้ไหมต้องบอกว่ามือของคนทำอะไรอยู่มือต้้งข้อเขาว่าแต่แขงอยู่ไม่ใช่กลอมอยู่หรือมันใช่ทําไมจึงใครเป็นคนรู้รู้เอง่ะถูกต้องเลยยกขึ้นดูสิเขาบอกก็ถามว่ายกเลยยังมือตั้งข้อก็บอกว่ายกแล้วไม่ใช่วางอยู่เขานะไม่ใช่ หลวงพ่อวางมือของคุณวางโยกเข่าเชื่อไหมไม่เชื่อะแสดงว่าเขาเห็นนะันคือของจริงกําลังศึกษากําลังกําลังสัมผัสสัมผัสกับความรู้สร้างจั่หวะสิบสี่จังล่ะรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปนะอ้าวตัวรูก้ก็ก็เกิดขึ้นมาแล้วตัวเห็นก็เกิดขึ้นมารพรอ้พรอมๆกันเห็นอะไรเห็นกายแอะไรเห็นแบบไหนเห็นแบบพระพุทธเจ้าสอน โอ้เจ้าบอว่าเห็นกายมีสติเห็นกายโอ้เกิดนี่อันนี้เกอนไหลไปมามันเห็นเนี่ยมันเห็นเนี่ยเห็นกายอ่าพอเห็นกายมาก็มีพลังพอที่จะเห็นนั้นเห็นเวทนาเสนอหน้ามาเวทนาเห็นความคิดมันเสนอหน้ามามีพลังแห่งการดูแล้วบันแต่เพื่อทำาไม่ๆอย่าเพิ่งปัญหาดูโน่นดูนี่คมหน้าคมตาสร้างความรู้สึกไปก่อนนะ แต่ว่ามันไม่โอกาสก็ค่อยเห็นไปเองนะอะเห็นดัานที่มันต้องเห็นแต่อย่าเข้าไปเป็ น, ปนบางทีบางคนก็ตะเปะตะปะไปเห็นโด่นเห็นนี่ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นหนมิมิตล้วก็ไปสอนทำอยู่แต่วัดการจะดำบุหรี่ไม่เด็คนหนึ่งเขาเกิดอยนิมิตเว่ากลางคืนแล้ว เขาก็อดไม่ได้ก็อยากจะมาพูดให้เรารเขาเขาก็มาเขาก็มาเวลาเขา น, นั่งอยู่มันมีมันมีแสงสว่างกลมๆกขากนั่งอยู่ไหนก็ทิมันก็ส่องออกมาครอบเขาเรา ก, ก็มองอะไรเห็นอยู่ในความมืดเขาก็ว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันจึงสว่างอย่างนี้ทั้งท่านที่ไม่มีไฟแล้วก็มองรอบตัวว่ามันสว่างเป็นวงกลมครอบเขาไ แล้วเขาก็เดินมาหาหลวงพ่อเขายังว่าอันกลมๆที่มันสว่างเขาพานะเขาเดินเขาบอกว่าเขวก็ก็นอนอยู่ไรกระจิตเขาบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องจุดจุดตะเคียน <c oughs> ก็ได้ในสมผมก็เห็นแงสว่างอยู่แต่เราก็ไม่เห็นมันแล้วเขาบอกว่าเขาเป็ น, นอะไรเาพูดให้เขาฝังอั น, น้นมันเป็นนิมิตโอภาแสงสว่างมันเป็นนิมิต ทำให้เกิดขึ้นอย่าไปเชื่ออย่าไปลงมันเราคุยกันไปสนทนากันไปมันเกิดได้สําหรับพโรขาไวจรวิจูนผู้ศึกษาบางทีมันก็พัดไปเห็นหนนท์เห็นนิบาสอย่าไปสนใจอย่าไปสําคัญมันม่นหมายว่าเราดีเราบรรลุธรรมไม่ใช่หรอกอันนี้ไม่ใช่การบรรลุธรรมเป็นนิมิตเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นความสุขกติ โอ oh, ภาสแสงสว่างบางทีมันเกิดปัญญาด้วยนะปัญญาไม่ใช่ปัญญาแบบนะเป็นปัญญากินตะยานบางคนนั่งเคิดเหตุผลเแต่เราก็ลำดับลำนําอยู่อย่างนั้นลืมสติไปก็างในบางคนมันชวนให้ลูลคิดโล่ไปนโน่นนี่พยายามไปแต่ว่าแล้วพยายามกลับอดไปบัวเราก็หมดแล้วแล้วก็ไม่มีแล้ววันนั้น อมันเป็นได้เนาะมันเป็นได้บางทีนะให้อย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอย่าไปกลัวแม่เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นอ่ใครเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผีเป็นเป็ดอะไรก็อย่าไปกลัวมันเป็นอย่างนี้เคยๆถ้าบางคนเนาะแต่ถ้าบางคนก็ไม่เป็นอย่าไปหาเพราะจะเห็นสติก็ถูกต้องแล้วมีสติเห็นกายก็ถูกต้องแล้วอเห็นไปเรื่อยๆอะไรย่างนี้ถูกต้องแล้ว สะดวกแล้วเคลื่อนไหวไปมาลูบอยู่เห็นอยู่นี่อก็อเห็นอันเดียวเนี่ยเห็นแต่ผืพๆไปนี่แหละนี่คือตัวปฏิบัติมันลูบคําได้มันสัมผัสได้ความลูบสึกตัวก็สัมผัสได้ความโกงธก็สัมผัสได้ไม่วันทีความโกรธกิเลสตัณหาปัญญาบากก็สัมผัสได้เอาสติไปสัมผัสอตัวสตินี่เป็นตัว ตัวหลอกตัวฉเฉลยมันตาเราไปดูอะไรเห็นงูก็บอกว่างูเห็นน้ําก็บอกว่านา้ําตามันบอกมันเป็นมันเป็นความถูกถ้ามันเป็นไ ม, ปาาไม่ใช่อุปปาธไม่ใช่กิเลสถ้าเป็นตาล้นล้นมันก็บอกใช่ประโยชน์ใช่ตาไม่ให้ตามันใช่เรา เราใช้หูไม่ใช่หูให้ใช้เราใช่กายใช่จิตไม่ใช่ให้จิตมันใช่เรามันมั่งจะถูกต้องแต่ถ้าเป็นจิตถ้าเป็นใช่จิตใช่มันคิดยังไงสาเร็จประโยชน์เราจะไปซื้อสังกษีมังงศาลาหอไตเนี่ยนะคิดลองดูวัดอาความยาววัดความสูงกันทันกีเม็ด ความยาวกี่เมตรลำานสังกะสีแผ่นหนึ่งมงแล้วห้าสิบเซนอ่าสิบเซนก็เท่ากับสองหนึ่งแล้วก็สองแผ่นก็เท่ากับเมตรหนึ่งก็ไล่กันไปก็ได้ข้อมูลไปซื้อสังกะสีมามูงสาราหอไต่สำเร็จเศษเหลือมานิดหน่อยเผื่อๆไว่นแนคิดหรือใช่มันคิดไม่ใช่ให้มันคิดให้มันใช่เรอ บองทีมันก็เราใช้ได้ใช้กายใช้ใจใช้สติใช้ได้แ้วถ้ามันใช้เราไม่มักจะไม่เป็นธรรมมามักจะไมเป็นธรรมเราจะมาสร้างสติให้เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจเรามาดูแล น, นะนี่นะนคือตัวปฏิบัติตัวเรามาสร้างอยู่ น, นี่เราพูดแต่เรื่องเก่านี่แหละเพราะมันเป็นของเก่าอยู่แล้ว กายก็อันเก่านี่แหละเวทนาก็อันเก่าอจิตใจที่มันคิดก็อันเก่าความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความร้อนก็อันเก่ากิติหาก็อันเก่าแล้วก็เห็นอันเก่าเก่าทำอันมันมีอยู่นี่แหละรู้สึกตัวอยู่เนี่เหมือนเราใช่ตาไม่ใช่มีใครมาเอาตาอันใหม่มาดูมันอยู่เรื่อยไปดูมันอยู่เรื่อยไปเห็นมันอยู่เรื่อยไปนะตาอันไหนก็คือความรู้สึกตัว มันจะเกิดเป็นตาทิพย์นะไม่ใช่ตาทิพย์ไปเห็นเล่ห์เห็นหวยนะไม่แก้วนะไม่ใช่ตาทิพย์แบบนั้น น, นนะเห็นของกินจะเห็นลูกเนี่ยเห็นนามนี่เห็นกินเลสเคยจะกิเลสนะความเศร้าหมองทำให้จิตใจเศ้าหมองเห็นกุศลไหมความฉลาดเห็นอกุศลไหมความโง่โ อ, อุปาทานมีไหมมีอเห็นควา ม, มง่ไหมย มงงกับความไม่งงต่างกันนะอะเห็นนะมเห็นแล้วตัวแก่ไหมแก่แก้เปยนเปลี่ยนความงงนะเปลี่ยนความงงเป็นความรู้ความตื่นเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นี่เราเป็นนักปฏิบัติต้องทำนี้แหละพยายามรู้สึกตัวเติมความรู้สึกตัวต้องน่อนพูดก่อนทําก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําที่คิดเราหัดตรงนี้นะ อย่าขนผันผันแหลอย่าเป็นคนบูว้ว้างอย่าเป็นคนลุกีิลุกล้มให้ลู่สุดตัวลู่สุดตัวอ่าอ่าได้ยินหไหมได้ยินทุกคนไหมไยิ่งๆอ่ถ้าพูดปากเป่ามันก็ดีนะมีคนหนึ่งผมก็ไปสอนธรรมที่เชียงใหม่เขาไม่ฟังนะถ้าพูดใจไวอย่างนี้น ตะวันปรุงแต่งไปแล้วเสียเสียธรรมถ้าพูดออกจากปากหลวงพอ่อนะโอ้หลวงพ่อไปสอนธรรมอยู่ที่ป่าสวนลาใหญ่อำเภอสันป่าปตองเขาเป็นประลัดจังเขาเป็นประลัดจังหวัดแต่ว่าเคยเสียแล้วพอมาฟังโอ้เขาชอบนะแต่พวกเราในฟังเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเบางคนก็มาบอกคนอยู่ข้างหลังไม่ได้ยินเลยหลวงพอ่อเลยจําเป็นต้องใช้เช่นไม่ใช่ พูดพูดเปล่าได้ยินไนหะมบางคนไม่ได้ยินนะแต่ใช่มาอย่างนี้เออที่จริ ง, งเราพก็ไม่อยากใช่ฮสู้พูดปากเ ป, าเป่าไปละเพราะว่าพวกเรามันหูสูงกันเ <c oughs> ะ่ยากนะฮะฮะก็ทําไปะลยสมมติบัญญัติไปฮะพวกเราก็กาบผากรัน อะระหังส well, ัมมาสัมพุทโธภะคะวะพทโธภะตะวันตังภิกขะเชตสาโตภะคะวตาธัมโมอะะนมะตนะนสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสัมคังนม